ข้อสีถามว่าสำนักวิปัสสนามีหลายสำนักเราจะถือสำนักไหนว่าถูกต้องขอความเห็นอันนี้แหละครับทะเลาะกันมามากแล้วสำนักกับสำนักหน้าโจมตีกันมามากแล้วสำนักสำนักมีสมถะจะไปเรียนเลยสมถะไปข้าแค่สมถะท่านเองอ่ะช่องของท่านิปัสนาแท่ปัญญาวิมุตต์แค่เลยไปทางเร็วทางนิพพานแท้อ่าอีกสำนักหนึ่งบอกโอยสมนัไม่มีสมถะก็มีวิปัสสนาได้ยังไงวิปัสสนาทั้งมีกับไปวิปัสสนาเกเกอร์วิปัสสนาไม่มีหลัฐาน ไม้สูงกว่าฐานนานไปร่มฐานไม่มีโจมตีกันอาจารย์อาจารย์าจะพอทำนารูปสิทีิสำคัญมากครูสิทธิ์นะที่เข้าไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะโอ้อาจาำนี่ปฏิบัติผิดนี่ปฏิบัติถูกแล้วก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาอา้างการของครู ด, ดีคนอื่นไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิอาจารย์อา้างการรัชนาอย่างนี้เขาว่าอะไอย่างงั้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักศึกษา เราต้องพิจรารณาไตรซองด้วยเหตุผลนะครับอย่าไปเอาตัวไองไปผูกพันธ์กับชื่อสำนักไปผูกพันกับตัวอาจารย์ฮะพระเจ้าบอกว่าให้มีธรรมะปฏิสนธะเอาธรรม เ, เป็นที่พึงอย่าเอาบุคคลเป็นที่พึงอย่าเอาบุคคลเป็นใหญ่อย่าเอาสำนักเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่สำนักใด ก, ก็ตามถ้าสอนปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลแก่เราทําให้จิตใจเราสงบระงับเยือกเยเก็นได้แม้อย่าง น, อน้อยระงับนิวรณ์ห้าได้นิมนต์ปฏิบตับติสำนักนั้นเถอะครับดีแล้วเราไม่ต้องมุ่งทุ่มมั่งค้งผลหรอก เอาแค่มีบอลห้าตูนก็เป็นมหาคุณโศนเอกอูแล้วเนี่ยไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นอาหารในชาตินี้เลยอย่าเพิ่งเลยเอาแค่วัดทําอย่างไรมีบอลห้าตูนอ่าปริยุทธ์ฐานะกิเลศให้มันระงับได้บุญนักหนาแล้วแค่เนี่ยแต่แค่นี้ทํากันได้เลยแค่นี้แค่นี้มีกี่คนในทําได้แค่แค่แค่ประตูบัชนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไปนึกถึงอ่าแดบ้แล้วครับเอาแค่ประตูบัชนี่แหละหวังแค่นี้ก็พอแล้วเมื่อเราได้ชาตแล้วนะต่อไปเราตัดเสินเองถูก ว่าทางไหนเป็นทางมรรคทางผลทางไหนไม่ใช่ตอนนี้นถ้าเราไม่ใจไม่มีสัมมาสมาธิแล้วเอาอะไรมาตัดสินไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้อะสมาธิได้หน่อยแล้วก็จะตัดสู้ได้ไม่ได้วิบัตินาเขต้องอาศัยสมถะเป็นแรงวิบัสินาอะนั้นก็มีสมรรถะวิบัสินาที่ผิวสมรรถะไม่ใช่สัมมาวิบัสินาไม่ใช่ต้องมีสมรรถะเพราะนั้นอย่าไปดูถูกนำนักสมรรถะเขานะแต่ถ้าไปนั่งสมรรถะประเภทเห็นเบอร์แล้วเขารู้เราเนี่เกล้าผิดแล้ม่ใช่ที่ผิดแล้ว เราก็ไม่เล่นด้วยประเภทนั่งแล้วเห็นเบอร์ประเภทศนั่งแล้วก็รับติดต่อติดต่อกับยุพบาลติดต่อกับคนตายให้ติดต่อกับกกผีให้มาสรงนี้แล้วก็รีบเดินออกได้สำนักแบบนี้มันนอกขีดนอกรอยไปแต่ถ้าสำนักแบบสองหนึ่งสิทธิจะรับได้แค่ริวออล้าเอาเลยครับเอาเลยแค่นิวออลห้าก็พอทํานไม่รับได้เรก็เป็นบุญแล้วครับอ่าท่านผู้หนึ่งถามมาว่าขอถามว่าคนที่คนพวกที่อยู่บนเขาไอลาสา น, นเขาอยู่ได้อย่างไรถ้ามันหนาวเหลือเกินเขากินอะไรเป็นเครื่องเครื่องเลี้ยงที่ เขาก็กินข้าวสารที่เขาตักตุนไว้เป็นปีๆไว้สิครับแล้วเขาก็เคยชินกับไอความหนาวเขาก็อยู่ได้ก็พวกเอสกิโมน่ะบ้านนี้เอาหิมะมาทำเป็นบ้านน่ะพวกเอสกิโมอ่ะในในมณฑล阿拉สกาเขาอเมริกาเหนือก้อนหิที่มาสร้างบ้านน่ะคือก้อนน้ําแข็งทั้งก้อนนี้เองเอามาสร้างบ้านนั่นคือก็นอนในก้อนน้าแข็งบ้านน้าแข็งหลังนั่นแหละไม่มีวันละลายไม่มีวันละลายแข็งตลอดปีสิบชาติเนี่ย S <S> เขายังอยู่ได้เลยเนี่ยอท่านมหาวีโรที่ขู่ถามมาว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิฆ เ, เวกมังวดามิดูกระพิสุทั้งหลายอันว่าเราย่อมกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมข้ <S <S อ, อความนี้ปฏิเสธว่าการกระทําที่มีเจตนาเท่านั้นที่ว่ากรรมอื่นใช่ไหมผูกหือไม่ถ้าถูกจะขัดกันหรือไม่หรือ <c oughs> มีเรื่องราว่าภิสุขท่านหนึ่งเยจีวรเข็มท่านไปเสียบเอาตัวเลือดตัวรายที่ต้อนเยจีวรนนั้นตาย โดยท่านมีได้เจตนาจะฆ่าเลยแต่ต้องโดยบากรรมในชาติต่อไปเพราะเคยสราบว่ากรรมเท่านั้นจึงจะมีวิบากคําว่าเจตนาในพุทสพจน์ข้อนี้มีความหมายที่ต้องอธิบายนะครับคือหมายความว่าเจตนานั้นจะต้องเป็นเจตนาที่สะระคตด้วยกิเลสถึงจะเป็นวิบากถ้าล้ำพังเจตนาเจ ต, ตสิกอย่างเดียวเป็นอัพยาคาะไม่ได้สะระคตด้วยกิเลสแล้วก็ไม่มีวิบากเพราะฉะนั้นในคําว่าเจตนาหั่นตามมพิกเวนี้เราต้องไขความอีกทีนึง ให้ความไปว่าต้องเป็นเจตนาที่สะพรั่งคตรเกลียเลสถึงจะเป็นถึงจะมีวิบากทำไมสะพรั่คตรเกลียดเลสแล้วไม่ทําน่วยวิบากส่วนค่าที่ไม่ตั้งใจฆ่าเลือดแล้วก็เลือดตายไปเนี่ยทีหลังท่านคิดขึ้นมานี่ยท่านคิดนะท่าไม่คิดไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปอย่างหนึ่งเป็นกระตัดตาดำกว่าจะให้ผลก็เป็นอีกนานัปราประเวทไมยากไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้อ่ะนานมทีเดียว แต่ที่จไปเกิดเป็นตัวเลนน่ะต้เพราะว่าจะไปคิดตึนขึ้นว่าตายจริงเราไปทําตัวตัวนั้นตายแล้วตัวรายตายไปตัวนึงแล้วอย่างเงี้ยะไปคิดตึงขึ้นใจไปเศ้าหมองนิดเดียวเป็นล ะ, ะท่านปัญญาปรโรพิขุถามมาว่าคําว่าบัณฑิตกับนักปราชญ์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรมีอะไรเป็นหลักอ่ะข้อสองคำว่าศาสนากับปรัชญาต่างกันไหมต่างกับลับทธิอย่างไรอธิบายด้วย ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาขรา ม, มีอะไรเป็นทัญลักษณของแต่ละศาสนาคําว่าบัณฑิตกันักปราเนี่ยบัณฑิตในความหมายทางโลกก็หมายถึงว่าคนที่ได้ปริญญาตรีขึ้นมาเรียกว่าบัณฑิตนะฮะคือคำว่านักปราตนี่ไม่จํากัดจะมีปริญญาหรือไม่มีปริญญาถาา้ามีภูมิรู้แล้วเขายกย่องเป็นนักปราดั้นี่ก็ต่างกันแล้ในทางโลกในทางธรรมคาว่าบัณฑิตนี่พุทธเจ้าท่านจำกัดไว้ทีเดียวนึงต้องพูดดีคิดดี ท, ดทําดีถึงจะเป็นบัณฑิตนี่ ผู้งานาก็มีสุจริตสามเป็นบัณฑิตถ้ามันมีสุสจริตฐานสามแล้วหาชื่อเป็นบัณฑิตใหม่พุทธพาสิบบังคับในเิกริบาตอันกุตรนิกายบังคับไปเลยนี่ว่าไวรนี่ส่วนคําว่านักศาสตร์น่ะหมายถึงว่าผู้รู้ผู้ ร, รู้ถ้าทำความหมายในพุทธศาสนานั้นเขาต้องหมายถึงว่าผู้ที่รู้อริยธรรมเท่านั้นที่จะยกย่องเป็นนักศาสต์ต่างกันอย่างนี้ครับคําว่าศาสนากับพระช ь าต่างกันไหมต่างกันคําว่าศาสนานั้น คำนี้อ่ะำหมายถึงอย่างตัวตัวศัพท์ในบาลีแท้ๆก็อย่างที่ผมว่ามานั่นแหละหมายถึงข้อปฏิบัติคำสั่งสอนธรรมะอันขัดเกลากิเลสชื่อว่าศาสนาแต่เพาะว่าภาษาไทยเราใครไม่รู้เป็นคนต้นบัญญัติแปลศัพท์ฝรั่งรีเดียเป็นศาสนาก็เลยตกกระาดพลอยโจรใช้กันแพ่หลายว่าศาสนาคือรีเดียนก็หมายถึงว่าศาสนาที่จะต้องมีสิ่งให้พักดีมีศาสาผู้บัญญัติ แล้วก็มีหลักคําสอนมีข้อบังคับมีทั้งคําสั่งกับคําสอนนะแล้วก็มีสถาบันของสาวกที่นับถือสืบทอดกันมาอันนี้เป็นศาสนาส่วนปรัชญานั้นแปลคำว่าปรัชญานี่ก็แปลจากเอามาจากฝรังนั่นแหละถ้าตามความหมายคำว่าปรัชญาแท้ๆน่ะก็หมายถึง ป, ปรัชญาคือปัญญาปัญญาทางเรษฐกิจเป็นปรัชญาสถาบันหลักคือปัญญาความรู้นั่นเอง แต่โดยความหมายน่ะควรจะใช้คําว่าทัศนะมากกว่านะทัศนะข้อนี้ตรงกับคําว่าทิฏฐิในบาลีเราใช้มาแล้วคำว่าทิฏฐิแปลคําจากภาษาฝรั่งว่ า, า, าพิโลโซฟีพิโลโซฟีของฝรั่งน่ะแปะลว่ารักในความรู้วิชาใดที่ทำให้เกิดความรักในความรู้วิชานั้นเป็นปรัชญาหรือเป็นพิโลโซฟีเพราะฉะนั้นลักษณะนี้น่ะไน่าจะเข้ากับคําว่าทิฏฐิหรือทัศนะไม่น่าใช้คำปรัชญาแต่เมื่อใช้ันแค่หลายแล้วก็ต้องตกกรดพอยโจรใช้มันอย่างใช้คำว่าทันาแต่เรลีเยนนั่นแหละ ต่างกันต่างกันข้ขอศิวะปราชญานั้นไม่จําเป็นต้องมีสาวกไม่มีคําสั่งมีแต่คําสอนแล้วก็ไม่ผู้ผู้เป็นเจ้าของปรัชยานั้นไม่ตั้งตัวเป็นาศาสดาหรือเป็นตู้โหใหญ่คอยควบคุมลูกศิษย์ลูกหาหลายทั้งสิน้นนี่อันนี้เป็นปรชัชญาส่วนถามาว่าต่างกับลัทธิไหมลัทธิน่ะก็โกงคําว่าทิศถี่โดยกงเลยลัทธินี่แหละทิศถีไม่จำเป็นต้องมีสถาบันของสาวกสาวิกา ไม่จำเป็นจะต้องมีคำสั่งอาจจะเป็นเพียงแต่ข้อคิดข้อเห็นแสดงออกมาหรือเป็นคำเนียมอันหนึ่งท่านเองนี่เป็นเรื่องของนัทธิข้อสามหามพุทธอิสลามห้ามอะไรเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของพุทธเราก็พระพุทธรูกนะฮะเป็นสัญลักษณ์อย่างสูงสุดแล้วนี่พระพุทธรูกพระธรรมจักรลูกธรรมจักรพระพุทธลูกศาสนาอิสลามน่ะเขาห้ามมีลูกเขารบห้ามทําปฏิมากรรมห้ามเขียนรูกผ้าเพราะนั้นสัญลักษณ์ของอิสลามน่ะ เห็นได้ชัดก็คือว่าบ้านที่นักศึกษาศาสน์อิสลามจะมีอักขรตัวอาลับชิ้นเอาไว้เป็นตัวอาลับนะใส่กรอบเป็นหนังสือบางหรือเขียนในแผ่นผ้าบางหรือเขียนจารึกตามขอบบ้านกรอบประตูบ้างคำจารึกอั น, นั้นเป็นแปนลได้ความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระอัลลอฮ์แต่ว่าท่านเองนี่คือสั ญ, ญลักษณ์เขา อ, อิสลามเขาแต่ท่านจะว่าพุ้นในด้านทงประเทศที่นักศึกษศาสน์อิสลามนะ่ะมักจะมีรูปพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวติดอยู่ด้วยสังเกต ด, ดูเถอะ อาจารย์เครื่องเสี hmm? ่ยวมันจะมีสิ่งนี้ด้วยศาสนาพรมีอะไรไหมสัญลักษเทวรูปเทวรูปคือสัญลักษณ์ศาสนาพรามเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งเทวรูปนะฮะขั้นมาจากร้อยเอ็ดร้อยเบอร์ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยเอดผามาวาบุคคลผู้นับถือศาสนาอื่นบอกบอกจากบอกนอกจากศาสนาพุทธแล้วจะจัดเขาเหล่านั้นเป็นจําพวกมิจฉาทิฐิได้ไหม ถ้าเช่นนั้นก็เรียกว่าเขาตายแล้วต้องตกรกรรคทั้งหมดเพราะเห็นผิดจากทางพุทธศาสนาหรืออย่างไรสองจัตปะโฬผลพุทธะโาหลและจั ก, กรวตรดิติโาหลที่กล่าวว่าในตำนานบางเรื่องสมัยถึงอะไระข้อแรกนี่นะพุทธศาสนานี่น่ะแต่ทางศาสนาอื่นหมดถ้ า, าศานอื่นใช่ครับใช่ถ้าแกไม่ไม่นับถึงาศาสนาของฉันถึงแม้แกจะเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดีแกเป็นนิชามิจิติสารและตกระกรก พระเจ้าให้ฟังเสียงไม่ฟังแต่จมพิวจะบอกที่ไม่เคยทํำผิดสิฉันคิดดีพูดดีทําดีแต่ทําผิดอยู่ข้อหนึ่งคือแกไม่นับถือฉันนี่แหลเป็นความผิดตั้งแต่ข้อที่แกไม่นับถือฉันเนี่ยผิดมาหันละเพราะนั้นสายนะที่แกจะพาคืนมาลบทางดีทางอื่นไม่มีทางศาสนาเทวานิยมเป็นอย่างนั้นนะแต่พูดของเราน่ะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราไม่ถือเขาเป็นวิ่ชาวดิฉิถ้าปราบได้เขาเชื่อเรื่องกรมกดเขาคุนแห่งกรรมไม่เป็น เป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีแล้วไม่เป็นนิฉาทิฏฐิไม่เป็นถึงแม้ไม่นับถือกัศรสนะไกรก็จริงแต่ถ้าเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีเชื่อว่าผลของกรรมดีมีผลกรรมชั่วมีแล้วไม่ทํำกรรมชั่วทําแต่กรรมดีพุทธศาสนาไม่ถือว่าคนนั้นเป็นนิชาทิฏฐิแม้ไม่ได้เป็นชาวพุทธโปรดรับรู้ไว้เดี๋ยวข้อนี้สําคัญมากเราจะไปเผยแพร่เราเขาถามว่าพุทธสนะดีกว่าสนะฝ ร, รั่งอย่างไรเรายกข้อนี้มาอ้างได้เลย บอกว่าศาสนาพุทธน่ะเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพเราตัดสินคนว่าคนดีขึ้นคนชั่วโดยการกระทำไม่ใช่ตัดสินเขาที่วันนะหรือที่ศาสนาที่เขาถือถึงแม้ท่านจะไม่นับถือพระของเราเลยแต่ถ้าท่านเป็นสาธุชนเชื่อเวรเชื่อกรรมแล้วสวรรค์ท่านก็ได้ไปเพราะที่ท่านจะไปสวรรค์น่ะไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าฉุดท่านขึ้นนี่ท่านต่างกระทำตัวท่านขึ้นไปเองจะอทำกรรมดีในขณะเดียวกันีทในโลกพุทธเจ้ามันเลยมาฉุดท่านฉุดขาท่านเอนโก ทานนักล่าที่ทำตูท่านเองมันเป็ น, น, นโรคที่ทำคำชั่วเพราะฉะนั้นเราจะหาศาสนาที่ให้ความยุติธรรมแก่คนได้จากไหนนอกจากในพุทธศาสนานี่อันนี้เป็นเป็นข้อสำคัญพระพุทธเจ้าท่านพูดเลยบอกพิสูจทั้งหลายศาสนาสุเนศศาสนาอรากษศาสดาเป็นศาสนา่องพุทการท่านเหล่านี้เป็นกรมวาทีวิริยะวาตีใครไปทําอันตรายท่านเหล่านี้นะ ตายแล้วก็เบล เ, เวจีเป็นที่ไปจะป่วยกล่าวไปยายจะมาทำร้ายทหารให้ตายอ่ะจะป่วยกล่าวไปย้ายว่างี้ี่นี่ก็ยอมรับแล้วว่าอย่าอย่าว่าแต่ประทาอันตรายคนมีศีลในศาสนาพุทธเลยแนมะ้แต่ประทาอันตรายคนมีศีลมีธรรมนอกศาสนาก็ต้องไปสมววิบากกรรมตามสมควรแก่ทิศฐานลุคติของเขาเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธนี้ยุติธรรมที่สุดแล้วตัดสินคนด้วยกรรมไม่ใช่ด้วยทิฐิด้วยกรรมด้วยกรรมกระทํำเขานะคราวนี้ นี่มีประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งในประเด็นในข้อที่ว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อรูนิพพานอันนี้อันนี้สําคัญอันนี้ฟังให้ดีนะอันเนี้ยถ้าในกรณีที่บอกว่าคนนับผู้ศาสนาอื่นไปนิพพานได้ไหมแล้วคนนับผูาศาสนาอื่นเห็นว่าสวรรค์ของพระเจ้าเขาไปนิพพานอ่ะเป็นมิจฉาทิฐิไหมถ้าตั้งปันหาคำนี้แล้วก็ตอบได้เลยเป็นมิจฉาทิฐิถ้าเห็นว่าสวรรค์ไม่นิพพานแล้วเป็นมิจฉาทิฐิอ่าอันนี้เป็นเป็นแท้ ถ้าเห็นว่าจะไปนิพพานได้โดยวิธีการอ้อน ว, นวน อ, อ น, วนพระเจ้าอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิในขัตนะของพุทธศาสนานะเพราะพุทธศาสน า, าถือว่าอื่นจากมักมีองค์แปดแล้วไม่มีทางไนิพพานละไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคบนหัวหน้าคือเห็ น, นปัญญาให็นอริยสัจสีถึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ ต้งว่าแยกประเด็นกันว่าเท้าถามบว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกน่ะทําม่นับถือพุทธแล้วจะตกนรกไหมมันนับถือพุทธแล้วจะจะได้ไปสวรรค์ไหมเราตอบเข้าไปเลยบอกได้ไปส okay. ิจะไปไหรือไม่ไปน่ะอยู่ที่กรรมแกจะหักตรกรรมดีกรรมชั่วแกเชื่อหรือเปล่าถ้าจะทำดีหรือเปล่าถ้าทดีแล้วก็แม่ไม่นับถือพุทธก็ไปสวรรค์ระหว่างกัปปะโกลาโหนพุทธกปโกลาหและจกกักรวรรดิกาโหนเนี่ยต่างกันกัปปะโกลาโหนหมายความว่าโอ้เทวดาแสนโกรธ วัน อ, อ, อีกหลายร้อยอีกหลายล้านปีจะวันสิบมาลายกลับไปมาลายกลับแต่ไหม่โลกเกิดกัป่าโคลาหอมีเทวดาองค์หนึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์สยายเกษาเลาออกมาแล้วก็เหาะลงมาเต่าร้องมนุษย์ในชมพูทวีปบัวมาริสาดูก่อนท่านบูนีระพุทั้งหลายโอ้ยอีกไม่นานอีกอกี่ทํานั้นเท่านั้นล้านปีโลกจะถึงการลาวิบัติแล้วไฟไหม้โลกแ ล, ออกล้วหรือว่าถ้าโลกจะชิหาได่ไฟไฟก็จะพาทิ่ดวงสิเจ็ดจะเกิดขึ้นวันนั้นวันนั้น โลกจะชิบหายโดยลมมันจะเกิดลมกดมาพัดให้โลกเป็นจุนยจุนไปมันจะชิบหายโดยน้ำจะเกิดน้ำท่วมโลกเบื้องตามตั้งแต่เอวจีเบื้องสูงถึงทพอัคคนิชคมน่อคคินธาภมนานขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้ระวงังตัวบอกกล่าวบรรดามนุษย์ได้ฟังเทวดาอม น, นีประกาศแล้วก็มีสติรีดเจริญมันเพนสินมานเพนธรรม ไปเกิดในจักรวาลอื่นไม่ไม่ใช่จักรวาลนี้นะจักรวาลนี้ต้องทำลายแล้วสมัยยังวมานยังพังเลยพมโลกเป็นพลายเลยอย่าว่าแต่อะไรรีบไปเกิดจักรวาลอื่นจักรวาลนี้ขิ้หายกระชังมันเราไปเกิดจักรวาลอื่นแล้วพโคจักรวาลนะ่ะนี่เรียกว่ากับปากโกลาผลพุทธโกลาผลอีกหลายล้านปีพระุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมาตรัสเทวดาองค์นี้ทําหน้าที่เป็นในแม่นชาราลูกข้าของพระชัยสัพันธ์โลมาประกาศทีเดียวทาหน้าที่โฆษณาประกาศทั่วเมื่อว่าพันผู้นี้ละทุววกทั้งหลายบุญของพวกเราแล้วนะ อีกกี่ร่างกี่ร่างตีนอาจะมีเขาคุณิสัตยองหนึ่งเป็นหนอนโน้ตทางกูลจะลงมาอุบัติจากดุสิธิตลงมาตัดสรู้ในชมพูทวีปในสกุลนั้นชื่อนั้นตัดสรู้เมื่ออายุเท่านั้นจะแสดงคำเป็นดวงตาของกอย่างนั้นนี่เป็นพุทธกุลาโขนจะาวัดสิีกุลาโขนก็เหมือนกันถ้าท่านภูจะมีบุญจะมาเป็นจอนเจ้าพัทตีรชอันมีมหาสมุทรสีเป็นเขตแดนก็มีเทวดามาประกาศให้รู้ล่วงหน้าก่อนเทวดาองค์นี้ทําหน้าที่เป็นกรมชาสัมพันธ์ง่าย คอยรับขายทอดข่าวสารมาทรายมันรู้ดีและเกินน่าขอบคุณมาก <c oughs> นี่ว่าได้เวลาจนสามถุ่มรับบรรเทาอันนี้สอบไปหมดนะฮะขอจบทิ้งเร่อนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการที่อาจารยได้กล่าวถึงเรื่องโคดมโคดคือโคดของพระกาสดาราณีที่ความเป็นมามาจากตัววงคือวงในประเทศ อ, อินเดียที่นับถือกันนั่นเป็นส่วนมาก ได้มาก็ได้รับความเข้าใจหลายประการด้วยกันคือการได้กล่าวว่าโคตมโคตนนี้เอาเป็นที่นับผีหรือถ้าดอกแปล่ได้หลายอย่างว่าแต่ว่าดอกทานตะวันก็ได้หรือว่าโคตมะแปลว่าคูประเซิร์กก็ได้แต่ไ ด, ดมาก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าคํานี้อาจจะเป็นพุทธพจน์หรือว่าประยุกต์เข้ามาเกี่ยวเนื่องในสมัยนูน้นว่าอาทิตย์โจวัุคันธ์เรียอย่างนี้ก็มีหรือว่าอาทิตโจมัตตทิตโต โทตโมจักรยาุกูลก็ได้อันนี้มีความเห็นว่าอะไรขอให้ัอาารปวที่แกยครับเป็นผู้สะพดเถิจนะผู้สะพดโดยคนเลยขอจุดขอเพี้ยนเท่านี้จ้ะชาสูตใช่ครับท่านชาสูตรเป็นผู้สพดใช่ครับเราจะ่จอดในที่มีสารในตับทานชาสูตรจ้ะแค่นี้ครับถ้าหลวงปมุขแห่ถามมาว่าาจารพรพรตที่มาแนะครับถามมาว่าเอ่อขอ หนึ่งข้อหนึ่งเมื่ออาตจจมาอยู่ที่วัดเองก็ดีและเดินทางไปเผยแพร่ศิลธรรมและวัฒนธรรมก็ดีถ้าญาติโยมเขาถามว่าศิลธรรมวัฒนธรรมคืออะไรจะตอบให้เขาฟังอย่างไรข้อสองให้เขาถ้าเขาถามว่าท่านเป็นพระหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนหรือเป็นศัพท์จะตอบติดเขาฟางอย่างไรข้อสาถ้าเขาถพูดว่าโลกนี้เป็มไปด้ความหลอกลวงอย่างนี้ จะให้อาตมาตอบเขาฟัางอย่างไรเนี่จากเคยถูกมาแล้วเอาสําหรับข้อแรกนะครับสิลลัทธิ์ทำแต่เขาทำต่างกันอย่างไรสิลลัทธิ์ทข้อนี้นะเราก็แปลความไม่ง่ายว่ะสิคือคุณสมบัติที่ติดตั้งความประพฤติชั่วเป็นสิ่งตัวอำ น, นั้นคือคุณสมบั ต, ติเปิดทางให้ประพฤติดีเป็นคำต่ อ, อไปง่างนี่นะครับสิ คือคุณละสมบัติติดกั้งความกระติดชั่วเครื่อววาเสิ่ส่วนทํา น, นั้นคือคุณละสบัติเปิดออกเปนการกระติดดีเป็นอันนี่ต่างกันนี้อันนึ่งติดอันหนึ่งเปิดสีนั้นติดธรรมนั้นเปิดติะติดเปิดว่างไงติดกั้นชั่วเปิดละเปดีว่างไงมีักษณะข้อแตกต่างของคำวัดสิ่อองกับคำวัดธรรมส่ว น, นวัฒนธรรมนั้นแล้ ว, วทาทรมที่ทาให้เจริญเปน็นได้ทั้งทางใจแะทางวัตถุ มาลายา่าคุณ น, นกุน้งตัดผู้ดีออย่างนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการก่อสร้างท้ายสวยงามประณีตก็เป็นเครื่องต่อวัฒนธรรมจิตใจที่มีมศิลธรรมก็เป็นวัฒนธรรมใั้นวัฒนธรรมนี้กว้างมากกว้างกว่าคำวศิลธรรมครอบรังทั้งฝ่ายวัตถุกับฝ่ายจิตใจศิลธรรมก็ส่งครอบอยู่ในวัฒนธรรมด้วย โดยความหมายเลยครับสาหรับข้อสองอถ้าเขาถามบอกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์จะตอบเราฟังอย่างไรนะะข้ อ, อนี้เราก็ต้องแต่ก็ขาบอกว่ามาเป็นคนสิเป็นคนเพราะว่าคำว่าคนนะ่มนะามาจากคาว่าชนะต้องผู้เกิดผู้เกิดเพราะฉะนั้นทุกคนกับป็นคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยคนคือมจาจากคาว่าชนะต้ผู้เกิดมาเกิดมาแล้ว เพราะนั้นถ้าถามว่าคุณเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสับเราบอกเราเป็นคนล้วถูกก็อตัวเป็นอาการที่เกิดมาเป็นคนนั่นน่นะแม้แต่ฝัดก็หะ อ, อาการที่ฝัดมาเกิดมามก็เป็นคนกันและฉลาดเหมือนกันนี่ น, น, น, น, น่ะคือเกิดมาแล้วแอนนี้พูดอีกไงเลยถ้าคุณอยากจะให้เห็นสมนนามาติว่ า, าเขาเขามายูเยกับเรานะฮะบอกว่าบอกว่าเขาไม่เห็นล่อเป็นคนเขาเห็นล่อเป็นสัตเราบอกาก็ได้ถูกกันัะตวเาเราผู้อยเราบผู้คอ ยังคล่องอยู่ด้วยลก ย, ยังต้องมาเวียนไหวไปเกิดเป็นสัตว์ทั้งนั้นแหละถูกเองจะว่าจะมาเป็นสัตก็ถูกก็ยังคล่องอยู่ก็ต้องเวียนไหวไปเกิดถ้าเขาบอกว่างา น, นการให้เห็นตัมนุษย์ก็ถูกเ อ, อ, อมนุษย์กันเองมนุษย์เพรมนุษย์เนี่มาจากคำวกาผู้มีใจสูงมันม่าบวชอุตสามันน่าตือใจอุตสาห์อุทําณ์ในสูงขึง้นมันน่าอุตส่ะก็เป็นมาจากคำว่ามนุษย์ยักษ์เป็นมนุษยยัผู้มีใจสูงอาจจะมาบวชแล้ว ใจต่องรักษาศีลรักษาธรรมก็เป็นผู <optimization> ้ hey ิีใจสูงผู้มีที่ไโอดปฏิบัติพวกนั้นก็เป็นผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ก็ถูเป็นคนก็ถูเป็นสัตว์ก็ถูกถูกทั้งนั้นต่อระหว่างกันนะเขาถามบอกว่าลูกนี้เป็นไปด้วยความหลอกลวจะตอบให้เขาฟังอย่างไรแล้วก็ตอบอกว่าถูกอีกแหละเพราะว่าลูกนี้เี้วยต่อนะลูกกระชั้นเนี่ยูป็นต่อนาอูตนาขันไหล่กับกองหน้าแล้วก็สัญญาเหมือนพยัดแบกนะครับ รัญญาบุญขยัแบแต่แล้วก็ไอ้เจ้าฝังขานมันก็ะตุ้นกลัววิญญาณน่ะก็เหมือนเหมือนอะมานักเป็นกุลถ้าผู้พระพุทธเจ้าผูเ้เนทุงขาวพระอาทิตย์ได้แสดงแล้วอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะในโลกนี้มีความหลอกลวงหรือแล้วเป็นต่อเมื่อเราอยู่ในโลกของความหลอกลวงเราก็ไม่ควรจะให้ไอ้ความหลอกลวงนี้ครอบงาควรจะรู้จักแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นสาระ ในสิ่งซึ่งไร้สาละอุปมาเหมือนหนึ่งอาศัยร่างกายอันเป็นสิ่งหลอกลวงนี้แสวงหาความ้นทุกข์ให้้นจากความหลอกลวงนี้ด้วยตัวเองท่านผู้หนถามมาว่าอาตมพาพอ่านหนังสือวิวาทะระหว่างท่านพุทธทาสกำมอมคลึกคลิบในตอนหนึ่งมอมคลึกคลิบกล่าวว่าคำสอนพุทธศาสนาบางข้อสอนแบบค้ากําไรเกินควร เช่นตักบาทเพียงขันเดียวก็ได้ขึ้นสวรรค์มีเทมีเทวดาห้าร้อยนางเป็นบริวารพร้อมด้วยปราสาทาชวังอัน ง, งดงามการที่มอมคลึกฤทธิ์กล่าวเช่นนี้อาตมาก ร, ระชักจะเห็นด้วยเพราะเหตุสองประการคือหนึ่งอาตมาเองเคยพบธรรมะพระเภทสอนผัดค้ากำไรเกินฟวนมาบ้างเช่นเรื่องนางลาลาชาเทวติดาในธรรมบทสองเพราะมอมคึกฤทธิ์เป็นปราฏิชนึ่งของมืองไทยท่านพูดอะไรเราคนจะเชื่อทำหรับข้อสองนี้ไม่แน่นะครับ ในกรณีที่กล่าว ม, มาทั้งหมดนี้จะแก้ความสงสัยของอาตมากระหมอ่อมพุทิชได้อย่างไรจะหายข้องใจถ้าพิสุขขันชัยอาภาตโรถามมานะครับเอสําสหรับข้อสองนี่ไม่แน่ว่าคําพูดของนักปราชญ์เราต้องเชื่อพุทธเถือไม่ได้ต่ อ, อหลักการามมาสุดเข้าจับไม่ได้คาพูดของนักปราชญ์ข้อใดถ้าเป็นไปเพื่อบันเทาโลกโกรหลงก็ควรเชื่อถ้าเป็นไปเพื่อส่งเสริมโลก โ, รโลกรธหลงก็ฟงังหูไหวหูก่อนนะฮะตอนนี้นะครับสําหรับข้อประคำบุญแก๊กนึง ได้สวรรค์ท่านฟาขาบวัดแขกนึ่ยกไปขวบขวบวัดแท็กตัระดังไปถึงไกลทศเนี่ยข้อนี้เนยเราต้องดูก่อนนะครับข้อนี้บุญอะไรที่ทําถ้าหากว่าปฏิฆาบุกเป็นพรอริยบุคคลทายกมีมุจจนจ ะ, ะเจตนาดีอัปปะปะเจตนาดีปุพเจตนาก็ดีพอดีบุญสามก่อนให้กําลังให้หลังให้ไถยทานนั้น เป็นของที่ได้มาโดยยากโดยสติกําลังตัวเองมาได้คอรับท่านเข้ามาอย่างนี้แล้วถ้าทําม่ด้เกตนาบริสุทธิ์แล้วข้ากุประมาเหมือนหนึ่งว่าเราปลูกเม็ดมัม่วงเม็ดเดียวทาไมได้กินตั้งพันตั้งหมื่นลูกล่ะเวลามันโตอ่ะทำไมข้อนี้ทําไมเราไม่บอกว่าทำไมข้านี่อักเสบิธรรมจริงปลูกไปหนึ่งเม็ดม็นึงคูนยัออกผลให้กินลูกเดียวมาพอดิแล้วมันก็ตายไปปลูกไว้สองก็กินอีกสองเม็ดไม่สามก็สามเม็ดทําไมหวานทำไมดินเม็ดเดียวเวลาออกลูกให้กินนึ่พันพันหมื่นๆ บางต้งนี้ต้งสิบปีกว่าจะตายปีนเอาออกสั่งหลายพันลูกให้เกินน่ะทาไมเราไม่นึกถึงข้อที่จริงในข้อนี้เป็นไปได้ครับไอตักป่า ท, ทัพทีเนื้อก็าในสวรรค์ทั้งป้าเป็นไปได้แต่นั่นต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งปฏิฆาหกนะปฏิฆาหกเป็นเนื้อนาบุญพอหรือเปล่าอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็เจตนาของทายกหนาพอดีสุดทั้งกาละสามการหรือเปล่าทั้งถูเกเป็เจตนาบุญจะเจตนาอปปะปราชะเจตนานะ่ะมีอะไรรูกหย่อนหรือเปล่า ทานวัตถุหได้มาดูบริสุทธิ์หรืเปล่าถ้า บ, บริสุทธิ์ทั้งทานวัตถุบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายพ า, ายุบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิฆาหกแล้วร้อยเปอร์เซ็นตกร็ดหนึ่งดังใจทดจริงจริงแต่ถ้าไม่อย่างนั้นบุกท่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วผลกรรมเขาต้องหย่อนลงมางสิอาจจะไปให้สตางค์ขอทานบาทเนื้อจาริถานยสวรรค์นางฟ้าทหารรอดมันก็ค่ากำไรสิอย่างเงี้ย เพราะว่านึ่งไม่ใช่เนื้อนาบุญไม่ใช่ปฏิฆาอกสองตัวเราเองนะ่ะให้ไปลาเราสะดุดกระดาษเป็นลักษณะเป็นจ่าค่ารุ่นักษณะเพื่อทำความดีชนิดที่ว่าต้องการเรียกร้องชื่อเสียงหรือทําอย่างเสียไม่ได้อ่ามันต้องมันต้องหลายอย่างประกอบกันครับมันมีทั้ลักษณะไอ้ค้าทำลายเกินควรด้วยแล้วมีลักษณะที่เป็นไปจริงๆอย่างที่ข่าท่านว่าด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยกเมฆหรอกก็อย่างที่พบประมาณนี่แหละถ้าดินดีเม็ดมะมูวงมันไม่เสียยังมียางเหนียวอยู่แล้วคนปลูกเองก็ เป็นคนตั้งใจปลูกมันลดน้ําทูนดินติดตามอยู่เสมอรับหล่อมะมูกออกให้เรากินตั้งหลายพันหลายหลายหลายหลายหมื่นลูกทั้งทังปลูกไม่เตี้ยแต่ถ้าไปปลูกในดินไม่ดีหรือประยุกเอาปลูกไม่นด้มะม่วงเยในทรายอย่างเงี้ยขอแค่รดงานเบือหักมันก็ไม่ขึ้นให้เรากินปลูกในทรายไม่มีดินมีแต่ทรายอไม่พอฝังกองทายไว้แล้วไปรดน้ำํำทอนดินสิไปรดน้ําเออกสิไปอ่อนว่าให้มันงอกขึ้นมามันก็ไม่งอกปฏิกาวหกไม่ผูกไม่ใช่ปฏิกาวไม่ใช่เนื้อนาบุญอ่า หากเอนไปปลูกเมื้อนาบุญไอ้แต่้คนเจ้าของที่ปลูกนั้นไม่ได้ตั้งใจปลูกแล้วไม่ได้ติดตามดูแลน้ำบุนเองช่างมันใครจะมาขโมยขุดไปหรือใครจะทําอะไรช่างมันถูกไหมไม่ไม่ไม่ไม่ใช่หรือดีไม่ดีปลูกไปแล้วยาเอาน้ําร้อนเลยลามใบตาเข้าไปอีกไปทำลายออย่างนี้มันก็มีรงาเหมองกันจะไปโทษไปหล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอนี้เราพิจารณาครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับขอนี้อีกคู่หนึ่ง ท่านอัครรโกโผล่พิขูถามมาว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนาของแต่ละศาสนานั้นมีแนวทางแตกต่างกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และอิสลามโดยเฉพาะอิสลามใช้อำนาจกดขี่จนกระทั่งทุกศาสนาถูกทำลายจากประเทศอินเดียจนหมดเรื่องนี้มีความรู้สึกอย่างไรข้อสองเรามีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ศาสนาเป็นเครื่องมือขนักการเมืองพราะเคยมีมาแล้วในอดีตและศาสนาทุกศาสนาใน โดยมากมักเป็นเครื่องมือในการเมืองเกือบทุกชาติขอให้ช่วยให้ความเห็นด้วยอ่สำหรับข้อแรกนี่นะก็ความเห็นที่แลกมาก็ไม่มีอะไรก็เป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธระวังตัวผมถึงชอบใจภาษิตของศาสดานในศาสนาซิกของแขกเข้าไงพวกซิกก็มีคำสุภาษิตที่น่าคิดนะเขาบอกว่าเราจะไม่ก่อภัยให้กับผู้ใด ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมรับภัยจากผู้ใดนี่เป็นลักษณะแท้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราควรจะเอาสภาวสิทธิของ ศ, ศาสมาติกมาใช้ในนโยบายป้องกันศาสนาว่าในขณะเดียวกันในการเผยแพร่ศาสนาเหล่านั้นเราจะไม่มีการกดขี่ศาสนาอื่นเขาไม่ไปรุการานศาสนาอื่นเขานโยบายอันนี้ไม่เห็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่พระพุทธเจา้าท่านใช้มาตั้งแต่ครั้งพระองค์แล้วนี่ อนุปว า, ดโดปาโดอนุปคาโตไงละ่ะวันมาห้าพุชาจะกรุงศาสนาบาทนะ่ะข้าพุทธเจ้าประชุมขาราชกันสองร้อกว่าลูปเนี่ยประชุมเพื่อจะทาข้อปรุงในนโยบายเผยแผ่าศาสนาประชุมเนะี่ยกำหนดนโยบายเผยแผ่าศาสนาให้ฟังว่าในการเผยแผ่าศาสนาเนี่ยเราต้องสังวร น, นะต้องใช้ขันติจะไม่กล่าวไล่พระนัชิตในศาสนาพุทธจะไม่กล่าวไล่คนอื่นเขาเนี่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นการปกลุงกําหนดนโยบายการเผยแผ่าศาสนานี่ครับเพร า, าะฉะนั้นาศาสนาพุทธ เฮ้แผลไปทั้งที่ไหนไม่มีการลุกลามศาสนาอื่นที่ไ่นไม่มีมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขก็มีการที่จะร่วมมือกับาศาสนาท้องถิ่นกระทั่งกลมกลืนเป็นาศาสนาเดียวกันไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเมืองจีนในญียย่ปุ่นอย่างเงี้ยศาสนาพแทธเข้ามาในเมืองจีนก็กลมกลืนกับาศาสนาขงจื๊อศาสนาเตา๋ากระทั่งคนจี น, นนี้แยกไม่ออกมัถือพร้อมกันทั้งสาวศนะาสนาไหวทั้งพุทธไหวทั้งขงจื๊อไหวทั้งเตียนหยไหวพระแม่หมหู่ไหวเจ้าไงล่ะเนี่ยเนี่ย แล้วก็ในพวกญี่ปุ่นก็แยกชิ้นตูกับพุทธไ่ออกนั่ถืตอตุลเปกันทั้งนี้ประวัตพุทธศาสนาไม่มีนโยบายลูกกลางไปถึงไหนมีเดีจะทําความอลีอโล่กลมกลืนกันไปอุปมาเหมือนกันน้ําไหลไปก็จะให้ความร่มเย็นแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับภาชนะตีใส่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาถังมาใสาน่น้ํำน้าก็เป็นลูกถังเอาโองมาใสาน่น้ํำน้าก็เป็นลูกโอง่งแล้วแต่แล้วแต่น้ำมเดียไหลหมดเข้าในภาชนะอะไร ก้มกึ้นก็ได้หมดอ่านี่เป็นลักษณะผู้ศาสนาเราเป็น ล, ลูกศิษย์เราก็ถือนโยบายนั้นตามจากพระสับรามาอนุปกาตัวอนุปาวาโดไม่มีการกล่าวล่าไม่มีการเบียดเบียนกันในหมู่บรรดาชิตนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันไให้ศาสนาเราถูกพวกศาสนาอื่นเรือลัทธิอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแถ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาให้คองแคล่จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่า อิทธิคุณอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เราแล้วต้องในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันให้ปากนะเราถูกพวกสักนาอื่นหรือที่อื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สำคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแถเองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาของแท้จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิคุณอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เราประมุต่อพระราชาไม่ได้ อันนี้สําคัญถ้าเรายังรโลลูไม่มั่นคงในธรรมะในศาสนะตัวเองยังเชื่อครึ้นไม่เชื่อครึ้นไม่รู้ชาติม้ามีจริงไหมไม่รู้ว่ะพระพุทธเจ้าท่านมามีจริงหรือไม่มีอย่างนี้แล้วอย่าไปเผยแผ่ดีกว่าเพราะว่าแสดงว่าจิตใจเราไม่มั่นคงแล้วถ้าไปเจะอุปสรรคหรือถูกกดขี่อะไรเข้าเราพร้อมที่จะล้างสมองพร้อมที่จะเปลี่ยนทิศถิพร้อมที่จะทอยยกษ์พัดน้าใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปไปนั่งเผยแผ่ดีดีแล้ว เราต้องมั่นคงอะไรสุกอะไรคง ส, ส, สัยต่อปัญหาในตาสนาผู้ที่ปัญหาเวียนว่ายตายเกิดปัญหาหรือมีพานซึ่งเรายังสงสัยอยู่ต้องสักกันให้หมดไปหมดคุมกันเลยให้หายสงสัยหมดต้างมั่นใจว่าเขามาในรูปไหนเราต้องมั่นใจในรูปนั้นว่าเขาจะมาล้างสมองเราไม่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเล่าไม่ถูกอิทธิพลใดว่างสมองได้เราก็จะมีกําลังใจมีบุ ค, คลิกลักษณะมีความเชื่อมั่น พร้อมที่จะไปสั่งสอนอบรมคนอื่นเขาให้เขาเชื่อตามที่เราเชื่อก็สิ่งที่เราเชื่อเว่ายังไม่แน่ใจตอน้เขาเชื่อตามเราได้อย่างไงใช่ไหมครับพอเราแน่ใจ แ, แล้วเราก็เรากส็สามารถที่มันก็เชื่อตามที่เราเชื่ออะอ่าสำหรับข้อสองเนาะมีวิธีป้องกันไม่ถอดน้ำนะเป็นเครื่องมือใน ก, การเมืองอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่ศาสนาทีชนอีก่แล้รครับถ้าเรารู้เท่าแล้วก็ใครจะมาต้มเราก็ไม่ได้เขาจะมาอ้างว่า เขาศาสนาบางหน้าโดยที่อาวิธีการมึงเข้าแทรกเราลู่เท่าแล้วเราก็เห็นว่าคนคนนี้เขาพูดโดยโลสะหรือพูดโดยโทสะหรือพูดโดยโมหะนี่เราเลือกลาข้าโทับโมหะก็จับไปแล้วกันอย่างพูดถึงสติภาพทูลูกพูดถึงสติภาพเพื่อทุกคนเราจะให้สติภาพกับโลกแต่ให้คนพูดน่ยตอนอื่นมันเองก็ไม่มีสติแล้วเพราจไมมีโลกกดลงอ่ะเพราะฉนั้นอย่าไปเชื่อเลยคนที่เราเชื่อเนี่คือพระอรหันต์เชื่อผมเถครับพระอรหันต์เท่านั้นที่จะนําสติภาพมาให้กับโลก อืมจากอ a แล้วโอ้โหเขาทั้งนั้ น, นไหไปเชื่อเพราะนั้นเรารู้ข้อนี้แล้วเราสบายใจเราเชื่อแต่พระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระอรหันตสงฆ์ักพอแล้วนอกจากพระพุทธพระธรรมพระอรหันตสงฆ์แล้วใครมาพูดให้เป็นเทวดามาไม่มเชื่อทำไมถึงไม่เชื่อบอกว่าเราย้ อ, อกว่าแกายังีโลกโกรหลงอยู่พะนั้นฉันไม่เชื่อแกยิ่งเห็น่แกเท่าของฉันเพราะนั้นหมื่แกทาของฉันแล้วคนในมีโกโกรธหลงคนนั้นก็่อมมสมุทิจะเป็นเครื่องมือขใครก็ดาษอะคนนั้น มีสัตพ ร, รม้มเหมนที่จะขายอุดมการกินก็ได้นคนนั้นพร้อมเสมอจะพูดเถื่อผลประโยชน์ตัวเองพูดเถื่อนผลประโยชน์ของข้าของตัวอย่างน้อยก็พูดเถื่อผลประโยชน์ประเทศของตัว เ, ววเพราะฉะนั้นไม่เชื่อต่อเมื่อได้ก่อเป็นทานหารมาพูดพูดลุงสันติฉันจะกล่าวว่าฉันจะเชื่อแ ล, แล้วผูดอย่างนั้นเราเขาถามว่าแล้วท่านเชื่อใครบ่อยคนที่ท่นเชื่อแล้วนี่ไงนี่นเชื่อก็ดูว่านี่คนเดียวเ ป, นป็นน้าผักต้องเชื่อท่านผู้นี้ เพราะ่านไม่มีกิเลสแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วขี้ไปที่นี่คนอื่น่ไม่เชื่อเนี่เราต้องมั่นใจสร้างปรับปรุงจิตใจปรับปุงทัศนคเราใหม่คืออย่าตั้งต้นเราเอากิเลสเข้าวัดีเดียวอย่าไปเอาเรื่องอื่นวัดเรื่องอื่นวัดอีไม่ดีเราถูกเขาโคษนานํามาเข้าเราจะลืมลืมตัวไปนึกว่าเห็นจริงตามเขาเราต้องวัดอะไหมอไม่พูดมันพูดโดยมีกิเลสอยู่ในใจหรือเปล่าต้องทํามนถามว่ามันมีนี่โลกตกรงต้องมีมันพูดในความรู้สั่ง พูดด้วยความโตรธบ้างอย่างนั่งพูดด้วยโมหะเป็นปัจจัยเป็นเชื่ออยู่เพรา ะ, ะนั้นเมื่อคนที่พูดด้วยรูปโกรลงเป็นเชื่อแล้วยังมาพูดในป่วแปรกันเลยปาดหักแล้วก็ไม่เชื่อแระวังนะเขาบอกว่ า, า, า, วาไม่ได้สิเราต้องเชื่อใครเขาดคนหนึ่งไม่มันเหมาะลงไปในชีวิตเราจะไม่มีความเชื่อไม่ได้เราก็ม่สิคนนี้เราเชื่อนี้คือท่านผู้นี้ที่พระจิคราชสรูปท่านผู้นี้แหละที่ฉันเชื่อเนี่ยคนอื่นฉันไม่เชื่อหรอกนี่เพราะฉะนั้นศาสนาเราก็จะหลุดพ้นจากเครื่องมือหนักกันเมืองไป ใครจะมพูดเขาไม่เชื่อนั่นอันนี้สำคัญนะครับศาสนาคริสตเียนเขาเน่ะเขาเชื่อแต่พระเจ้ากับพระเยซูว่าเป็นผู้ไถ่บาปเขาใครๆก็พูดเขาไมเชื่อหมดผู้บาหลัวน่ะเขาเชื่อแต่พระเยซูจะเป็นผู้ไถ่บาปปักใจเลยไปอัยการาศรัทธาในศาสนาเขาเลยอาจจะสัทางเขาอย่างของเราแล้วของเราก็มีโสดาละมีอัยการะศรัทธาของเขาน่ะอันู้มอาจจะราศรัทธาเพราะว่าเขาปักใจเขยอมตายถ้ามีใครมาจ่าเขาล้านนึงบอกว่าพระเยซูไปดีเขาไม่ยอมรับจา อ, อผู้บ่าหลวงอะ่ะเขาถึงขนาดนั้นอะ่ะคือเขาสามารถอุบลรวมล้างสมองถยูไในความเชื่อถือความพักดีอย่างดื้อดําชาวพุทเรานี่ขาดความพักดีในศาสนาตัวเราถึงถูกเขาขวาดออกมาที่ละประเทศสองประเทศอ้าวผมก็กขาขวาดมาทีละหมดเจ๊งออกผมก็ตีตีเจ๊งออกที่ลประเทศสองประเทศแต่วเวลานี่ผู้ศาสนาเราเนี่ยเพราะอะไรชาวพุทเราขาดความพักดีใน พ, พระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีความพักดี เชื่อเชื่อต่ า, าตๆทํามาพ่อแม่เื่อหน้าผื่งตามๆทํามาและที่จะเกความพักดีก่อนนี้ต้องรู้คุณค่าของศาสนาว่าขาสนาเราดียังไงถ้าไม่รู้คุณค่าจนพักดีก็การไรล่ะใครเข้าเราไม่รู้คสมบัดของเพชรในมือเราเนี่ยใครมาหลอ ก, อกว่าโอยในมือแกมันไม่ใช่เพชทิ้งบปเถอะนกํ า, กกาขี่ม้าน่ะเอานี่ดีกว่าก็ยื่นชินนี้แล้วก้อนนี้บอกนี่เราไม่ใช่เพชเอาไปเถอะไอ้ก้อนนี้ทิ้งไปเถอะเราไม่รู้คุณค่าของเพชรเราทิ้งแต่ถ้าเราคุณค่าของเพชรแล้วใครอย่ามาหลอก มาตีกินเลยใครขี้อินมาชีว้วูบวูพูดอะไรฉันก็ไม่ยอมทิ้งแค่เปตนี้เราะฉันรู้คุณค่าแล้วระมเราไม่ววยิ่งแน่นยิ่งขึ้นสิรู้เขาจะมาทำลายลเรต้องยิ่งกำไว้ามมายิ่งแน่นแตอนนี้ชาวพุทธเราไปอย่างานี้นี่นะคมากไม่รู้คุณค่าศาสนาพุทธมีดีอย่างไงไม่รู้พอศาสนาพุทธเรากว้างใหญ่ไพฝานเหลือเกินเรื่องนั้นตลอาชาติก็ยไม่รู้จักหมดเนี่ยไม่หมือนาสนาคิดนั้นซือสองเล่มจบแล้วอันอนสองเล่มจบ วันหนึ่งอ่านมิลโอนิสตเมนต์พรุ่งนี้อ่านโอนทิสตเมนตวันจบหลักศาสนาบริบูรณ์แล้วไม่มีอะไรศึกษาแล้วเอาเอาหลักศาสนาเข้ามาในกระเป๋าเขาได้ที่มีหนังสมุดเล็กๆเขาเก็ตบุ๊กต่อเข้าไปของผู้ศาสนาหนักแปดหมื่นสี่พันมันเขาตเขก็ตบุกไงไปอ่านสองวันไงปีอ่าไม่จบอ่านคาถาดีกาด้วยอันพระคองวิเศษด้วยตลอดชาติทั้งไม่จบอ่านหนาใหญ่นิยามด้วยเกิดมาอีห้าชาตินิยานจบไหมนับเป็นลาบ้าตายแล้วเกิดเออ เพราะะนั้นน่ะมันถึงลำบากกว่าเราทํายังไงเพื่อสรุปสาระสําคัญของศาสนาวิธีสรุปสาระสําคัญของศาสนาเนี่ยก็คือว่าต้องปลูกใจให้เกิดความพักดีต่อพระนาาใจสร้างความพักดีไม่เชื่อใครเว้นแต่เชื่อพระพุทธพระพุทธถูกเนือเชื่อไม่เชพระพุทธูกไม่เชื่อถพาล้างพูดเนื้อเชื่ออื่นแา่พระล้างพูดไม่เชื่อต้องพูดอย่างนี้แล้วเราปัดใจอย่างนี้แล้วพอแล้วสัดว์นะพุทธเราไม่เป็นเครื่องมือข่ายสำหรับข้อนี้นะฮะ ท่านพระครูปิยะถามมาว่าพระพุทธจเจ้าเสด็จมาเมืองไทยหรือไม่ถ้ามาเหตุฉะไหนพุทธประวัติจิงวิ่งวิระบุไว้จะว่ามาก็มาจะว่าไม่มาก็ไม่ม า, มมาครับท่านพระครูครับ <c oughs> คือพระพุทธเจานะ้านาดูรูปรู ป, ร, ปรูปประคันพระ อ, องค์ไม่เคยมาเมืองไทยไม่เคยมีระบุในพระไตรปิฎกเล่ไหนรูปประคันนะครับแต่ดูนามาคันแล้วเวลานี้พระ อ, องค์ก็ยังประทัดอยู่ในเมืองของเราเลยครับท่านพระครู โยธรรมังกสติโสมังกตสติติผู้ใดเห็นธรรมนั่นก็เห็นเราเพราะฉนั้นผู้ใดเห็นธรรมในขณะใดในมุมไหนใที่ใดถ้าพุทธกษัตริย์กดเขาผู้นั้นในที่นั้นในเมืองนั้นเพราะนั้นดูธรรมกายและพระองค์เสด็จสถิตอยู่ในเมืองไทยตลอดเวลาที่พุทธศาสนาประดิษฐานอยู่แต่ด้วยลูกกายและพระองค์หาเคยเสด็จมาเมืองไทยไม่ข้อนี้นะฮะท่านครูสีตะทำมูพิขุกถามมาว่าสเปธธรรมะอนัตตา ทำนอหลายทั้งตัวไม่อนัตตาทำทั้งตัวหมายถึงนิพพานด้วยใช่หรือไม่ถ้าหมายถึงนิพพานด้วยนิพพานก็คุณไม่อนัตตาความไม่มีตัวตนไปด้วยก็แสดงว่านิพพานไม่มีแล้วเราจะไปกันได้อย่างไรอนัตตาไม่ใม่ไหมารูว่าไม่มีอะไรครับไม่ใช่ไหมไม่มีอะไรครใช่ตัอว่านัตสิตามันจะอนัตตาคําภาษาบาลีสองคำนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับ ถ้าปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยเป็นสัญญากับมว่างๆเรื่องๆต้องใช้กับวันนักทิตาปฏิเสธอนัตตานักเป็นเพียงปฏิเสธว่าไม่ใช่อัตตาเท่านั้นเองแต่สภาวะของนิพพานมีอยู่มีอยู่อย่างชนิดไม่ใช่เป็นอัตตาแปลความหมายเท่านี้เองไม่ใช่ว่านิพพานาไม่มีทนิพพานาไม่มีมมมก็เจริญมากจริญผลเจลิญมีธรรมายจะเอาไปเจริให้ความว่างเปล่าหรือครับไม่ใช่ นิพพานยังมาเป็นอารมณ์ของมัคคิจิผลกิจได้เลยนิพพานหนูมันเป็นอารมณ์ได้นี่เพราะนิพพานเป็นสภาวะธรรมเหนือบัญญัติเหนือสมมติเป็นสภาวะนะครับนิพพานเป็นสภาวะปรมัตา์เป็นปรมาจา์ตรัสภาวะมีอยู่สิครับแต่เพาว่ามีอยู่อย่างไม่เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้วเป็นนิพพานของความยังอยากจะให้มีวิญญาณไปเกลยความสุกเนนิพพานนั่นเป็นของความครับ นิพพานของพุทธน่ะต้องดับไอตัวอยากจะสวยสุขไอตัวนี้แหละมนุษย์เรายังห่วงไอตัวมากเกินถ้ามันมีตัวแล้วมันจะสุขได้อย่างไรหารู้ไม่่ะไอสุขยังไม่มีตัวมันก็มีน่ะนี่แต่ถ้ายังมีสุขยังมีตัวอยู่ยังเป็นเวทยิตตกุกอยู่ยังใช่ไม่ได้นิพพานน่ะทนจากเวทยิตะกุกจึงเป็นบรมสุขขังถ้าไปเวทยิตะกุกอยู่ก็ยังเป็นสุขในขันห้ายังเป็นสุขในมันหยับยังไม่เที่ยงยังเป็นทุกยังแปรปรวนได้ เพราะฉะนั้นตาลี่อย่าไปแปลว่าไม่มีอะไรแปลได้แต่ว่าไม่ใช่หัลตาเพราะนั่นเองแต่ว่าสภาวะของนิพา น, นมีท่านอิศิธรรมูจากสุโขทัยถามมาว่าอัตมามีความสงสัยเรื่องพระอินที่อยู่ชั้นดาวดึงเดี๋ยวนี้เป็นองค์ที่เท่าไรพระอินที่ล่วงไปแล้วกี่องค์และพระอินองค์นี้จุติจากจากชั้นดาวดึงเมื่อไร่และมีองค์ไหนมาแทนอีก ที่ล่วงไปแล้วนะ่ะมีมากมายนักไม่พ้วนนะครับแต่องค์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่องค์เดียวกับมาฆะมานพไม่ใช่เออองค์เดียวกับมาฆะมานพที่ทําบุญในธรรมะหมดนี่แหละองค์เดียวกันแต่ว่าองค์นี้ยหลังจากตายจากมาฆะมานพแล้วก็ขึ้นมาเป็นพระอินเดี๋ยวนี้แหละยังอยู่นะถามว่าองค์นี้จุติแล้วจะไปไหนองค์นี้จุติแล้วไปสวรรค์ชั้นสูงไปอีกก็อะไร พระอินเมื่อก่อนนี้ทําเทวทูตสงครามกับเทวกรจติตติพอมาฟังพระพุทธเจ้าเทศน์เรื่องสกัดวันอสูตรแล้วพระอินอายุต่ อ, อยุยืนไปอีกเป็นโสดาบันเวลนี้พระอินเป็นโสดาลนะเลิกทางสงครามแล้วเป็นพระโซดาแล้วไม่นํากองทัพลบผุ่งกับใครแล้วเลิกแล้วลิ้นหา่าวบริสุทธิ์ไม่ลบผุ่งกับใครอ่ะเทวกรจิตติเวลานี้ก็เป็นพุทธมารกะเลิกลบผุ่งอยู่เหมือนกันทางของฝ่ายอาศัยพุทธคุณก็เป็นมิตรไปตรีกันใหม่ พระอินทองค์นี้ถ้สิ่งบุญก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงจากนั้นก็เป็นาสฏิท า, าอาณาคาและอรหันเข้านิพพานไปเลยชุนองค์ใหม่ยังไม่รู้เวลานี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนมันเพ่าร ม, มีจะเป็นองค์ใหม่ยังไม่รู้นะครับท่านติดสว่างโสจากบุรีรามถามมาว่าเทวดาเขาก็มีอาหารอันเป็นทิศอยู่แล้วแต่เหตุไนในเทวดาตรีจึงก็งให้มนุษย์ทำบุญอุทิศใหแก่เทวดาอาหารที่มนุษย์อุทิศให้นั้นเทวดาจะเสวยได้หรือ เทวดาชั้นกามาพจนไม่เสวยไม่มาลิวแหลอาหารที่มนุษย์อุที่ไปให้แล้วครับเทวดาที่จะมาเสวยน่ะเป็นพวกบริวารพระจตุมหาราชอาตาสปถาจะปุมมัถขาเทวานาคามหิติกาปุญยันตังอนุโมนิตรวีรังรับขั้นสุพุทตตาสนางพวกนี้แหละมากินเพราะพวกนี้เป็นบริวารชั้นบริวารจะุมหาราชยังกินอาหารนื่องด้วยกบลิงกราหารอยู่เจื้ออยู่บ้าง แต่ถ้าเป็นทีว่วาระฉจะกล้ามาหาวจรแล้วเขาไม่มากินหรอกเขาต่อหี้นะฮะนักศึกษาเลทีล้อหกศิษถามมาว่ า, าศาสนาสิงศิษย์เคยขัดกับาศาสนาพุทธไหมาอาตมาเคยถูกพวกศาสนาศิษย์นิมนต์ไปบ้านได้เห็นเขาใส่บาตรทุกเช้าทั้งที่เขาก็เคร่งในาศาสนาเขามากเช่นฟังสวดมนต์ทุกวันตอนเช้าเจอพระปรหวัยไปด้วยแต่ว่ า, าศาสนาคริษ กับแอนตีจึงทราบว่าเข้ากันอย่างได้อย่างไรเหตุใดจึงขัดกันศาสนาศิกนี่น่ยว่าถึงหลักการศาสนาต้องขัดกันในเรื่องพระเจา้าพุทธเราไม่มีพระเจา้าเขามีพระเจา้าขัดกันในเรื่องว่าเขามีอาตมันพุทธเราเป็นอนัตตาปฏิเสธอาตมันเข้ากันได้ในข้อที่ว่าพุทธกับเขาต่างก็เกิดในชมพูทวีปด้วยกันทางชาติภูมและมีความรู้สึกเป็นลูกบ้านเดียวกัน อะเข้ากันได้ลูกั่งเดียวกันแล้วก็ทั้งเขากับเราก็มีศัตรูพู้เดียวกันคือพูกคริสเตียนกับอิสลามเขากับผูกลุ่อิสลามทำลายมาซะย่ำแย่พุทกับูกลุ่คริสเตียนอิสลามทำลายมาซะย่ำแย่เนี่ยตรงนัว่าเคยสวยสุดสวยทุกรุ่มทั้ม่าเดียวกันมาความเห็นหมุกเห็นใจมันก็มีมากทัมพาเดียวกันอ่ะพุทกับศิษอ่ะที่พูกศิกย์ทำบุญตักบาตรก็ไหว้ผ้าอ่ะเขาํา่ได้ถือภ้าเป็นพระทีเนยยะเขาถือว่าเป็นการทําทาน ตามหน้าที่ในศพนเขาบัญญัติไว้ให้ทาทานเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าพระเป็นทักษิเนียร์เข้านะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเพียงอุนญิกิริยาธรรมดาเท่านั้นเองแล้วที่เขาไหว้พระก็ถือว่าเป็นการไม่ไดไหว่อย่างเป็นไหวอย่างทักษิเนียรยัไม่ใช่ไหวไม่ได้ไหวอย่างเป็นสาธารณะไม่ใช่พูดง่ายๆว่ายอย่างเราไหว้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเท่านั้นเองทำเนียมอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามเพราว่าศาสนาที่เกิดในอินเดียแลว้วก็เห็นอกเห็นใจกันมากกว่าอย่างฮินดูพุทธกษิตเนี่ยไปสักเท่าเดียวกันเราเคยลูกชะตากรร ม, มาเดียกันเห็นอกเห็นใจกันดีฝูงศาสนาคริสตแน่นอนละเป็นศตรูของพุทธแน่เพราะว่าศาสนานี้กําลังลุกการศาสนาพุทธทั้งในที่แย่งสิริราชไปเรื่อยๆเพราะคนทุกแห่งวางสายเฮ้ยแผลหมดอันนี้ก็ตรงนั้นที่จะโรยน้ำศาสนาพุทธเสริมไม่น่น อันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วท่านสุดที่เตโชพิกขุถามมาว่าพระพุทธเจ้าเราไม่เคยเสด็จมาเมืองไทยแต่เราพระพุทธบาทสลักภูรีมีมาอย่างไรหรือมีใครเป็นผู้ทํารอพุทธบาทขึ้นอันนี้สําตั์ตามตำนานที่ถูกขึ้นในเมืองไทยเล่าว่าฤาษีสัจพันธาบรรเทนตบา ท, ที่สัจพันธ์เีคือเขาพุทบาทดิเนี้ยและพระพุทธเจ้าเสด็จเร่งยานรู้ว่าูษี ัจจพันธ์มีอินทรีย์คูนแก่เป็นเวไนก็เสด็จมาโปรดเมื่อโปรดแล้วจะเสด็จกลับเพราะกับอินเดียฤาษีกัจจพันธ์ก็คูนขอให้ทำธนิลักษะไว้จะบูชาพระองค์จิงได้โดร้อยพบาทอธิษฐานาไว้ที่ลายเขากัจะจพันธ์นบัญทศคือเขา้าวุฒิบาทยวนี้ตํานานเขาว่ า, างนั้นผูกขึ้นแต่ไม่มีในบาหลีไม่มีในอักัฏานึาาาเขา้าวุฒิบาสระดีนะไม่มีนะในฉันดีกาดี แต่ไม่ได้พูดถลบุรีสุวรรณปัคเตวนามาสุวรรณมาลิกเกสุวรรณปัคเตโยนากาุเรมีคืมณฑูเตข้าพุตบาทนั้นน่ะมีอยู่ในสุวรรณมาลิกหนึ่งสุวรรณบันโรตหนึ่งสุวรณกูตหนึ่งลินสังไปน้น้ำน้ำมาธาหนึ่งเมืงองโยลุกุระหนึ่งห้าแห่งท่วโลกนอยู่ห้าแหงไม่น้ำน้ำมาธาเวลาไม่อยู่ในอินเดียเป็นฝายเล็กๆยังไม่เจอพุตตบาทอ น, นกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ รือจะลบลายไปแล้วเราก็ไม่ทราบหรือพวกอิสราลจะทำลายหรือใครจะขูดหินดูจะทำมาทีหลังเราก็ไม่รู้หรือจะเป็นยังไงไปเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ น, น, มนามาทยังอยู่ไม่นั่นนามาทาเวลานี้โยนกกระปุโรนัะนะ่นคืออยู่ที่ไหนอัพกานิษฐานเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่ว่าโยนกมึงโยนกโยนกะปหรือยาวันนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พอุิตบาตยัค้นไม่เจออาจจะคนอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ยังหาไม่พบแล้วก็ตัวนามาริกโยดีนอะลังกา สุวรรณภูนะ่ะลงังกาอีกยังมีร่องพระบาทอยู่ที่สุวรโกภูดเขาเรียกว่ายอดอาดัมปิกอยู่บนนูนไปภูเขาสูงสุดมือแห่งหนึ่งสุวรรณภรมิพศหากันจังเลยสุวรรณภูมิเอยู่ที่ไหนสมัยพระเจ้าคงรรทํามีพระอาุธยาชุดหนึ่งเดินทางไปไหว้พระในลงัาลางากาพระลังกาเขาบอกว่าโอ้ยฉันยังก็มารถไปที่นี่มาที่ลงังกาไหวพระบาทมืูลท่านก็มีพระบาท เอ๊ะอยู่ที่ไหนแต่เมืองของเราเรายังไม่ยึดทราบก็ในส่วนน้มนพุทในเรอยู่ในเมืองท่านนั่นแหละไปหาให้ดูไปห า, ป ห, าหาดูให้แน่พระชุดนี้กลับมาแล้วก็มาถวายาพระพรให้เจ้ากรุงธามทราบพระเจ้ า, รากรุรงธามก็ออกคําสั่งให้พู้ว่าข้าหลวงประจจังหวัดสอบหาว่าอยู่ที่ไหนเขาวสวนนะ้ำมันพุทธน่ะหาไปหามาก็เลยเรื่องผู้ว่าราการจังหวัดสระบุรีจังเมืองสระบุรีทําหนังสือกระเบนคมพูลเข้ามา บอกว่าเมื่อไม่ช้าไม่นานนี้มีพรานคนหนึ่งชื่อพรานบุญชื่อพรานบุญเป็นกาเป็นเกลื่อนผิโลผิวหนังไปล่าตั๊กในป่าแขวงเมืองสระบุรีต่อแดนลพบุรียิงถูกเนื้อตัวหนึ่งเนื้อฝ่ายเนื้อมันหนีหนีไปในซอกขาแห่งหนึ่งไม่พรานก็คอยแอบเวลาออกมาจะได้ยิงตั้งเออออกมาแล้วเนื้อตัวนี้ให้รอยแผลถูกยิงหายไปวิ่งหายไปเลย พางก็แตกใจาตามรอยเนื้อบุกไปไปถึงไปเจอรอยเท้ามนุษย์ในไหล่เขาในรอยเท้ามีแหงน้ามีน้ํำขังอยู่ไในพรางก็มันลึกว่าเออไอเนื้อตัวนี้มันคงจะมากินน้ําแห่งนี่ก็มั้งไอลอยแผลปูก ส, สอนดิหายวัดไปกับปางเนี่ยอย่าอะไรเลยเราก็เป็นกากระเรื่องอยู่เนี่ยลองดูที่เผื่อจะหายก็วัดน้ําในรอยเท้าเนื้อนี่ทะลมตัวไม่ท่าไอลอยากาลอยเกลื่อนก็หายวัดไปทางบุญก็ มาบอกกับเจ้าเมืองสระบุรีเจ้าเมืองสระบุรีก็ออกไปสำรวจเห็นไร้อยเท้าคนแน่แล้วก็มีใบบอกกรบาบำังคมทูนขึ้นมาไอ้เ จ, จ้าคุ้มทำทำเป็นไปรเรียนมาก่อนนี่เป็นพระอิมุลธรรมอ น, นันตปรีชาบุตรวัดละคังไปรเรียนมาก่อนจะสมัยราพอรู้ข่าวเข้าก็สเสด็จยุคพยุหะดูทาสเสด็จพยุหะย่าตราไปดูไปดูพวกกรวดดูลักษณะเห็นว่าโอ้มีมุมคนร้อยแปด ถูก้องกับพุทธรัตนนาทุกอย่างฟงเรื่องใสชุ่มทศนักเหลือผากแล้วก็อุทิศบริเวณที่พุทธบาศโดยรอบหนึ่งโยชน์เป็นพุทธบูชาให้พลังสองกล้องตัดถนนจากถ้าเจ้าสนุกขึ้นไปหาเขาศบาศสร้างมณฑปเจดีสาลาจางเปรียบเป็นวัดเลยตั้งขุนโขนทนายข้าพระโย์สงฆ์รักษาตั้งแต่นั้นมาก็เกิดเทศกาลบ่าวศมาทกลางเดือนสาหัหนึ่งกลางเดือนสี 1, ่หัหนึ่งสองข่าว เป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองไทยถามว่าลอยเท้านี้จริงหรือพระพุทธเจา้าประดไจ้จริงหรือถ้าจริงพระพุทธเจา้าเป็นตองลูกหลังขนาดนี้พระเศียรของทนเหดานสลานี่รอยเท้าลอยใหญ่นี่ไม่ใช่ลอยเล็กๆนะรอยใหญ่นะนี่นะลอยเท่าแล้วเจ้าของรอยขนาดนี้ไม่ต้องคุ้งแห่นั้นเลย ดันั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจะว่าโดยทางโบราณคดีแล้วหรือว่ามนุษยวิทยาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ดีเจจะมามีรอยเท้าใหญ่โตผิดผู้ผิดคนไม่ได้เขาพู้ดีเจนาท่านสูงกว่าคนดียนี้ธรรมดานี่สอยไม่กี่นิ้วเท่านั้นเองคนโบราณน่ะเป็หลงว่าผู้ดีเจรู้ล่ลางขนาดใหญ่โตเพราะฉะนั้นถ้าผู้ดีเจทะลุล่างใหญ่แค่ไหนท่านอยากจะดูว่าผู้ดีเจรู้ล่ลางใหญ่แค่ไหนมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพนี่ยหคนโบราณเชื่อว่าใหญ่ขนาดนั้นหลวงพอโตว่าเท้าอีางเลยล่ะเพราะสุภาพนี่เขาสีสันยามเพ่ พระเจ้ามาพระเจ้าสมาลายชารีชายขันรอขึ้นตามความเชื่อว่าพระพุทธเจา้าทรงสูงขนาดนั้นหลวงู่โตเขาอินชาต์นั่งยังสูงขนาดล้านเลยถ่ายืนเลยจะสูงแค่ไหนนั่งอ่ะหน้าตักตั้งสามวาเน่ยโอ้ยหน้าตักตั้งสามวาชนะพระศรีสะเกศมูนีอ่ะถ่ายืนเลยจะสูงแค่ไหนนั่นแหละเขาขัานอุ่นขันสูงขนาดนั้ น, ลนนะแลหละนะเราเขาบาดสลักอุลีเราเขพอเคลือกันแล้วเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสูงใหญ่ขนาดนั้นเชื่อไหยครับ มันเป็นความเชื่อของมัตติอาจารย์ในลังกาในพระบาหลีมันเลยระบุพระพุทธเจ้าใหญ่แค่นั้นเลยถ้าใหญ่แค่นั้นจะไปแลกสังติโหมกับพระม้ากระสุนก็ยังไงล่ะแลกกิว่านโหมพระม้ากระสุแลกกันพระพุทธเจบอกพระม้ากระสุนนะอย่าเลยกับต ะ, ะเคยก็ล่วงการผ่านว้แล้วบัดนี้ก็เป็นผู้แก่เฒ่าแล้วผู้ดงคาวัดติดถือมาอยู่ป่าเป็นวัดตรงแต่เตจีบริกะเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัด กินอาหารในบาทเป็วัดน่ะเป็นการลำบาดแต่เธอดูรับอาหารจากข้าพดีบ้างเธอรับข้าพเจ้ดีชีวรนบ้างเธอะมาอยู่ที่มุงบ้างบ้างเธอะคงขอร้องเพราะเห็นวาพม้ากระตุกน่ะแก่เท่าแล้วแก่มากแล้วพระม้ากระตกไม่ยอมบอกว่าข้าพระองค์ยังจะขอคุณทุดงอย่างนี้ตลอดชีวิตคุณจา่าก็อนุโมทนาบอกว่าหาไม่ยากอย่างกระตุกเนี่ยแม้จะแก่ถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ยอมละเลิกคุณดวงวังดวที่ทําไม่ยาก ก็ถามกาจัตปะถ้าเธอเห็นประโยชน์อะไรหรือที่เธอมาสมมาทางพุบดวงวัตรอย่างนี้อ่ะจัตประเขาทูลบอกว่าเพื่อจะอนุเคราะห์กับพิสุนุ่มๆปฏิมาปฏิ ม, ชมาชาลตาชนในการฝ่ายหลังเมื่อเกิดมาแล้วจะได้รู้ว่าพระแก่แก่ในครั้งโบราณอะ่ะท่านยังไม่ละเลยดงวงวัตรที่กล้าแตะเหตุอย่างนี้เมื่อท่านยังุ น, นุ่มอยู่ในวัยชะ ก, กันอยู่จะได้มีกําลังใจใเก็บบเกรบำเพุญดวงวัตไให้กล้าแข็งอย่างท่านได้ที่เจ้าพ่อมูนาแล้วก็ชมเชยยกยอก่ยองว่า พระมหาตะก บ, บนะเป็นมหาเถระที่มีอภิน ญ, ญาประมาบัติเสมอครับพระองค์เป็นเอกภพขัตในทางนี้สู้แรกจีวรผมกับพระมหาตะกบเอาจีวรขัดถายพระมหาตะกมาผมและเอาจีวรพระองค์ให้พระมหาตะกบผมถ้าพุทธเจา้าลูกหังใหญ่อย่างนี้นก็ทรงสัตถุภาพเลาะจะแลกเป็นผมได้แล้วยีผมพระหมหาตะกบผมแล้วนี้อยู่แค่ลาพัสันแนละ้วผมแม่เลาะลูกหลังเขาเอาใหญยังไงล่นนะเพราะฉะนั้นนะนี่ข้อหนึ่งละข้อสองภาวะแตกทิศเป็นอย่างขำขำ พระ อ, องค์รูปล่างใหญ่โตผิดผู้ผิดคนอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเป็นเจ้าชายจะสถ า, าดูใจอยู่กินกับพระนางพิมพาได้อย่างไรในข้อสองขอ้อสพระองค์ใหญ่โตผิดผู้ผิดคนอย่างนั้นล่ะเวลาอยู่ในข่างทางภาษาเวกเนี่ย ท, ทําไมพระชายาข้าตูจริงไม่รู้ว่าองค์ไหมายเป็นพระพุทธเจ้าข้าใหญ่โตเล้นไม่ต้องบอกไปใหนก็รู้แล้วเลยนั่งคุ้งกับเพื่อนดูแลเป็นพระเจ้าข้าใดโตผิดผู้ผิดคนแล้วทำไมชาบ้านจริงรู้ว่าพระนา่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยไปละ ท่านั้น่าเนี่ยถูกหลงผิดเท้าเป็นพระเจา้าเออเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงในพระบาลีแสดงว่าเระพุทธเจ้าเองรูปร่างท่านก็เป็นปกติสามัญเฉลียว ใ, ใหญ่โตกับคนปัจจุบันก็ไม่กี่อนคุรีหรอกเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใหญ่โตที่สระอุรีจะเป็นรอพระบาทตีแพร่ขเขาก็คงไม่ได้แต่จักเป็นอุเทสิกาดีแต่ว่าความสำคํา ค, คือว่าเลอย่าไปพูดในชาวบา้านเขาเชื่อเขาเสียสละนะทา่าพกที่ผู้เฒ่าผู้แก่ มันนอกเขาเชื่อว่าเป็นเราพุทิจ้ารมาสดได้เราจะไปห้ามรัทธาเขาเขามีโฆษาเล่าเรื่องเขจะพันเราบทกให้เข า, างเฉลิมศรัทธาะทะลุทะลองครศรัทธาภ า, าษาชัาดก็เลนห น, นายิ่งขึ้นแล้วพี่กู้เขานี่นี่เป็นอุทิศ ก, กัจเจดีสําหรับคนสร้างอุทิศถวายพระกู้ศรัทธาโดยทรงจะเห็นว่าผู้โฆษณาได้เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วจึงสร้างรอยประบาทขึ้นธรรมากายสะดุดมาไงล่ะแต่เครื่อแสดงของของธรรมกายน่ะ ไม่มีดีอะไรเท่ากับสร้างเป็นรอยบาทาแต่เราทั้งทุกอยัางกาบได้ได้เลยเอาอตปะปูมาสร้างเขาไม่รปเนี่ยเอาหลักมาหลอเป็นบุญมาซาพิสุลักษณ์แล้วก็อแล้วเรากราบบ้านนิจแล้วไม่ได้กาบไอ้ปูนีกกราพุทธคุณมาักละ่ะเพราะนั้นแม้จะเป็นร อ, อยที่คุณคุณเขา่้างเป็นรอย้าเรากราบแล้วก็กราบได้เป็นอุเชกาดีบุญเท่ากันอยากาไปเสียกาลังใจว่าเออถ้ารอยอุเชสิกาอคุณส้างก็ได้บุญไม่ไร่บุญร้อยเปอร์เนตเลยก็เขาไม่สรุ่าเป็นคนหลอกคนสร้างแล้ว แต่ข้อสำคัญว่าผูพเาผู้แก่ที่เขาเชื่อเป็นรอยจริงๆเลยอย่าไปขัดสภาก็เล่าเรื่องจะจพันดาบทให้ฟังขเขาจะไพวกนี้แบบที่บ้านึา่งโบ ร, ร, ราณคาดีอุทิศกาเจดีไม่ใครเข้าใจละว่ะเด็นข้อดีขอด้ขอลายเออเลยไม่เชื่อเลยเลยขมาสภาก็ป่าเปล่ากันเปล่าต้องิาแสบต้องดูการัตตาบริตผลด้วครับหนึ่งนี้สาคัญเรียนขอเรียนเรียนขอเรียนถามท่านมหาปพิธ ผมไม่ใช่ชื่อผมผมตาของที่ห้าใจก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นะครับเรื่องเรื่องเทวดาหรื่องสวรรค์น่ะลกนี้เราไม่เคยเห็นหน้าตาเลยแต่ะว่าอยู่ที่อื่นจากโลกเหล่านี้ก็ยังเป็นปัญหาก็ไม่ทราบแน่ครับเมื่อเป็นเช่นนี้จะเมาเอาว่ามีได้ไม่มีได้หมายก็เหตุใด าการเจริทานสมาบัตอาจจะยากไปสักหน่อยจะมีวิธีอะไรอีกไหมที่จะได้เห็นนรกสวรค์เทวดาถ้ามีช่วยบอกด้วยจะได้ลงมือทําเพื่อจะได้รู้แน่เสียทีเรื่องในโลกที่ท่านไม่เห็นด้วยตา ม, มีเยอะแยะแต่ทําไมท่านเชื่อลูกในโลกนี้อย่างเรื่องชื่อลกูกจเห็นกับตาเมื่อไหร่เล่าในอากาศนี่ยมีชื่อลูกเป็นจุลินทรีย์ตั้งกี่้อยกี่ล้างตัวบินอยู่ทําไมท้านเชื่อมีล่ะ ที่ท่านเชื่อว่ามีเพรานักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงสปังใั่ไหมว่ามีฉันใดจะตามแลกสวรรค์กัมึงกันผู้ถี้างมีสมาบัตเป็นทยาศาส่อ์ทางใจทขาพิสูจน์มาแล้วเขาก็บอกว่ามีนักวิยาศาสตร์เขาพูดกอกว่เนี่มีเชืโรคเป็นหมดเราสูดเชื้อโรคไปเรื่อยคุณมูนล้ไอแคตหนึ่งเขมีชืโรคต่างหลายล้านตัวมาจากปากน่ะไอแคหนึ่งอะเรามองตาเปล่าเห็นไหมล่ะมีราบอกไม่มีชันวงะโวนก็ติดต่อเลยไม่ได้ครับอลุงเอาลตาเปล่ามาตสินไม่ได้ผมบอกแล้วว่า อินทรีย์สัมผัสของเราเนี่ยมีขอบเขตจํากัดตาแมวดีกว่าตาคนตาแมวอ่ะมองมองที่มือเห็นคนมองที่มือไม่เห็นตาแมวหมูกหมาดีกว่าจมูกคนเพราะจมูกสุนัขเนี่ยโดนกลิ่นในสายร้ายกี่โลมันโษนกลิ่นจมูกคนสูงสูกตุ่มตุมสุนัขไม่ได้อินทรีย์ของเราไม่มีส่วนจากัดตาแหลงตาเหี่ยวดีกว่าตาคนตาแหลงอะสูงตังเป็นยอดยอดมันก็มองเห็นหนูเล็กล็กสายตัวหนึ่งอะ แลรงเห็นแล้วดินออกสูงนั้นเราเห็นเราบรรูุ้แล้ว ม, ม, มีหนูตายแต่แค่าตาคุณเราเรามองไปเห็นและระยะห่างแค่นั้นเรามองไปเห็นแหละเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของคอุณแม่จะต้องตัดกับวัตถุด้วยกันยังถูกจํากัดเลยครับจะป่วยกาวไปย้ายกับไอโลกทิพย์สวรรค์นรเพราะที่คุณถามบอาว่ามีวิธีที่ไม่ต้องทําทางสมาบัติแต่เห็นง่ายง่ายมีไหมมีผมแนะนําให้เรียนวิชาธรรมชายที่วัดปากน้ํำวิดาหลวง่อวัดปักน้ำท่าน ตับขันไปแล้วทำไปอย่างนั้นแล้วต่อขั้นสองทับได้วายชมัดไปขึ้นไปขึ้นกรรมฐานกับท่านอะ่ะวันนี้ลูกศิษย์ที่ทายต้วิชาท่านยังมีตัวอยู่ที่ว่าต่างหน้าเลยครับอยากจะเห็นนรกสวรรค์ไปขอเลี้ยงกับท่านเข้าวิชาธรรมกายเลี้ยงให้ไอให้พิจารณาเห็นองค์ธรรมกายสาเร็จแล้วอธิษฐานไปติดต่อโลกทิพย์ภูตการทิพมาติดต่อทำทีเดียววิชาธรรมกายไม่ใช่ชานไม่ใช่สมาบัติยังไม่ถึงฌานไม่ถึงสมาบัติขั้นที่ว่าได้ติดต่อกับผู้เคยว่าดาศีสองอ่ะ ยังไม่ถึงขั้นทานสมาบัติไม่ถึงนะครับแต่ติดต่อได้แล้วเพราะนั้นเวลานี้วิธีพิสูจน์นโกสวรรค์น่ะรู้ที่สุดคือไปเรีย ว, วิชาธรรมกายไปรู้ไม่ได้รู้แล้วมาทำมาติดต่อดูก็จะเห็นนรกสวรรค์เองนะฮะข้อนี้ก็าปากน้าก็ใส่ใจฝั่งคนนี่เองเออท่านจารุวันโนพิคุกถามมาว่าอาตมาขอถาม ในผู้รู้ในทางประวัติศาสตร์คือกที่มนุษย์ของเราอาศัยอยู่นี้อาตมาอยากทราบว่าอากาศนั้นมีความหนาเท่าไรและดินนั้นมีความหนาประมาณเท่าไรอากาศกับดินหนาประมาณเท่าไรห น, ทนาทางระยะไกลเขาวัดให้เราไปให้ตราบไปได้วัดไม่มีทางจะวัดได้แม้แต่ดินก็เหมือนกันเพราะว่าความหนาของโลกเนี่ยระยะที่จะชอนชายไปถึงไอไฟใจกลางโลกน่ะเวลานี้ยังไม่มีเครื่องมือชนิดใดชอนชายไปถึง เมื่อช้อนชาเราไม่ถึงแล้วเราก็ไม่มีทางจะวัดความหนาของดินพราสูนน้าดินจากพื้นผิวโลกไปสู่ใจกลางโลกที่ยังเป็นไฟน่ะมันหนาเท่าไหร่ไม่มีทางสูนอ า, ากาศนั่นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอากาศรอดความว่างความว่างนะ่ะไม่สามาณถวาดหนาไม่ได้ครับท่านถ้ามันมีความว่างที่มีนาเลยอบางความว่าขอจเจริญอร ช่วพู ด, พดฉันสักครั้งให้ฟังหน่อยจะเป็นการตรวจมนต์ก็ได้ขอขอบคุณอันหนึ่งนะฮะอาจจะให้ผมตรวจมนต์เป็นครั้งสักครั